ในวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลคณะศรัทธาญาติโยมวัดหินหมักเป่งคือเป็นวัดเก่าแก่วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดองค์หลวงปู่เทศคณะสิทธิ์พระเนนและก็วัดเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาและก็พร้อมศรัทธาญาติโยมที่เป็นสิทธญานุสิทธิ์ยัยงเหนียวแน่นยังมาปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ บางท่านนะแต่บางท่านก็ยางว่าอายุเข้าแก่ชร า, าสุขภาพร่างกายเก็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็มากกวไปตามการตามสมัยจะให้เสมอต้นเสมอปลายก็คงไม่ได้แล้วจะเสมอต้นเสมอปลายได้ยังไงชีวิตของคนเราสมัยเป็นหนุ่มก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งสมัยเมื่อเท่าแก่ชร า, าก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งมันต้องไหลกันไปเรื่อยๆทําไมเมื่อสิปีให้หลัง อย่างหลวงพ่อนะก็ยังหนุ่มแน่นนะอไปที่ไหนก็คล่องแคล่วแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อเองจะเดินไปที่ไหนเหมือนกับจะย่องย่องไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยอีกสักสิบปีหรือห้าปีไปข้างหน้านี่หลวงพ่อนี่ไม่เหมือนอย่างนี้เสียแล้วอายุของหลวงพ่อปีนี้ก็หกสิบสามปีแล้วนะศรัทธาญาติโยมหมู่พกเพื่อนอหลวงพ่อหกสิบสามปีแล้วไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มแล้วเป็นพระเข้าปูนชราแล้วว่างั้นเถอะ หกสิบสามปีอีกไม่นานก็นี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็กเกษียณอายุแล้วถ้าเป็นราชการอันนี้เป็นพระมันกเกษียณไม่เป็นแก่เท่าไรเขายิ่งใช้พระเท่าพระแก่เท่าไรยิ่งขลังอย่างนั้นเถอเหมือนกับพระโบราณกับพระสร้างขึ้นใหม่อย่างงั้นอ่ะถ้าว่าเป็นพระโบราณพระสมัยสุขโขทยัยอู่ทองน่ยราคาก็แพงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นพระนี่เก่าแก่ ครูบาอาจารย์ยิ่งญาติโยมก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาตามที่เห็นเห็นนะอยเป็นพระน้อยพระนง่นก็อีกอย่างหนึง่งแต่พอเป็นพระผู้เท่าขึ้นมาแล้วก็ศรัทธา ญ, ญาติโยมก็หลั่งไหลเข้าไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละเราพระแก่ไม่เหมือนสิ่งของอย่างอื่นสิ่งของอย่อื่นถ้าเป็นของใหม่ราคาจะดีจะมีคุณค่า แต่เป็นพระเนี่ยถ้าเป็นพระเก่าพระภูเท่าพระภูเท่าคงแก่เรียนพระภูเท่าที่ปฏิบัติคงเส้นคงวาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนี่แหละเป็นพระที่น่าเคารพศักการะบูชาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเป็นพระที่เคารพกราบไหว้อย่างพวกเรากราบองค์หลวงปู่หลวงตาที่พวกเราเคารพนับถือ อ่อย่างที่วัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันเนี่ยในหน้าพระเฮี้งพระเนี่ยเวลาเวลามาที่สาราเนี่ยหลวงพ่อจะกราบพระหลวงพ่อจะประกาศกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นะอ่าจากนั้นเนี่ยกราบหลวงปู่เสากราบหลวงปู่มั่นกราบหลวงปู่เทศกราบหลวงปู่เ้ากราบหลวงตามหาบัวหลวงพ่อจะให้กราบกราบตั้งหลายครั้งนะ แต่ตามไม่ยิงกล่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ที่กล่าวนามทั้งหมดก็เป็นอริยะสงฆ์ในในความรู้สึกของพวกเราท่านทั้งหลายนะแต่ว่าหลวงพ่อว่าอันนี้ก็คือสงฆ์สมัยปัจจุบันที่พวกเรารู้เห็นกันอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระโมกคาราสารีบุตรพระคัสจปานอนนท์อันนั้นก็เป็นพระสงฆ์ที่พวกเราเคารพสักการบูชายอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วแต่อันนี้พวกเราเห็นเห็นท่านอยู่ที่พวกเราได้กราบได้ไหว้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรจะกราบเป็นจิตจะะากษณะเพื่อเป็นตัวอย่างใกล้ใกให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นตัวอย่างนี่แหละครูบาอาจารย์ถึงจะล้มหายตายจากไปพวกเรายังให้ความเคารพนับถืออยู่เพราะนั้นหลวงพ่อจึง พาลูกศิษย์ลูกหาหรือออกตนญาติโยมพระเนนกราบกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ฮะและก็กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีรูปตั้งอยู่แถวหน้าแต่มีหลายองค์ถ้าจะตั้งกราบทั้งหมดก็คงจะไม่มีที่ตั้งว่าะงั้นหลวงพ่อก็เลยตั้งเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแต่ท่านเหล่านั้นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ระลึกถึงในจิตในใจที่เราแต่ละคนแต่ละท่านได้รับธรรมะ ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นนะอันนี้ก็คือกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราที่มาคราวะครูบาอาจารย์ในวันนี้ก็นักษณะนั่นละคือถือตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติธปฏิบัติมาถ้าว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเหนือกวา่าเราก็ไปเคารพ สักการะอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ไปกราบครวะครูบาจารย์ปีนี้ก็ประมาณ9วัดมั้งเก้าหรือสิบวัดนี่แหละหลวงพ่อไปกราบตั้งแต่หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาหลวงตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่วัดโพธเจ้าคณะวัดโพลงปู่เพ่งทำกองเพลงหลวงปู่ลีหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมีแล้วก็หลวงปู่ทุย ที่ครูบาอาจารย์ที่รู้จักมักคุ้นที่เคารพนับถืออันนี้ก็พวกเราก็คงจะเหมือนกับหลวงพ่อนั่นแหละถ้าองค์ไหนที่รู้จักมักคุ้นที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จะเป็นที่เคารพนับถือก็อเอาไปกราบไปไหว้ไปทําวัดทําว่าทําวัดก็คือเป็นประเพณีปีหนึ่งพวกเราก็ได้มาพบมาเจอกันจากนั้นก็ไปคารวะท่าน เผ <S an> ื่อได้ประมาทพลาดพังท่านแต่ตามไม่จริงในหวัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่บางครั้งความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็อาจจะมีแวบไปแต่บางครั้งคนในใจของเราก็ไม่รู้จะประมาทพลาดพังท่านไปเพื่ออะไรนีอันนี้อยู่ในใจของเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็คิดอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะประมาทพลาดพังท่านได้ยังไงบางทีเราไม่รู้ไม่เห็นได้ยินแต่คนอื่นพูดเราจะไปเชื่อคนอื่นเฉยเลย จะได้หรอบางทีท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนีอันนี้เราก็เป็นเรื่องของท่านถ้าเราเชื่อในข้อวัดปฏิบัติของท่านเชื่อในศีลในธ ร, รรมของท่านแล้วก็ธรรมดาพระก็ไม่ใช่พระพุทธโลกนะพระท่านก็นเดินไปมาที่ไหนไดเ้เพราะอาจจะมีความผิดพลาดขาดตกปกพ่องอันนี้ถ้าเราคิดเป็นธรรมในใจของเราแล้วเราก็มีแต่กราบไหว้สักการบูชาอไม่ เดี๋จะไม่ประมาทพลาดพังว่างั้นเนี่ยไม่ประมาทแต่ถ้าคำว่าพวกเราไม่ได้คิดให้ทีถทวนแล้วก็อย่างว่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นความว่าไม่ทีถ่วนจุดนั้นละ่ะฮะคำ ว, ว่าไม่ถีถ่วนจุดนั้นละ่ะทําให้พวกเราจึงได้มากราบมาไหว้สักการะบูชาทำวัดครูบาอาจารย์เป็นประเพณีนะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาทำวัดครูบาอาจารย์ตามประเพณีที่ ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมานะต่อไปหลวงพ่อจะให้แนวความคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนทุกๆองค์ององหลวงตาผมเข้าไปกราบท่านองค์หลวงตาท่านว่าพระทุกวันนี้อ่อนแอทวไมนะผมก็คิดว่าท่านไม่ได้สอนใครนะนะเพราะว่าสอนหลวงพ่ออินในระดับนั้นเต่ท่านก็พูดเลยพระทุกวันนี้อ่อนแอทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเก่า พระเก่าแก่เนี่ยเข้มแข็งนะพระทุกวันนี้อ่อนแอปวกเปียกเราไม่อยากจะดูเราไม่อยากจะเห็นเลย เ, เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ฟังไว้นะการกระทำสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าออกนอกลูก่นอกทางไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมนะก็ขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายสำรวมระวังสิงไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ให้สำรวมระวังเอาไว้ เพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองถ้งว่าสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็ขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลาย ต, ตั้งอกตั้งใจอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยจะเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชาจะเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาเดินนะ เพราะว่นั้นก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็ให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งทางว่าเราไปเน้นหนักอย่างอื่นเราไปให้ความสําคัญอย่างอื่นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือผิดพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านให้เผากิเลสในจิตใจอันนั้นแหะเป็นอันดับหนึ่งให้พวกเราฟางรังดู ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระพุทธเทององนอนอยู่ในระหว่างต้นรังทั้งคู่ที่กุุงกุสินาลานะพระอนนท์พร้อมกับพระสงฆ์500รูปควงจะเป็น500กว่ารูปห้อมล้อมอยู่และกับมันและกัตสัย์ทั้งหลายพวกษัตย์ห้อมล้อมอยู่ภายนอกภายนอกบริเวณหลังนอกจากพิกษุไปพระอนนท์ก็ คิดพิตกกังวลว่าเอเมื่อพระพุทธเจ้าละขันแล้วนะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานละขันแล้วพระพุทธองค์จะให้ทำอย่างไรกับภาษีละของพระพุทธเจ้าเสรุปแล้วก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าตายแล้วปรินิพานแล้วนะร่างกายของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไงมันถึงจะถูกพระอนุลก็คิดประวิตกขึ้นมาในจิตใจก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในขณะนั้น พระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระพุทธองค์ละสังขารไปแล้วนิพพานแล้วจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไงกับศีระของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรกับศีระของพระองค์พระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าขณะนั้นท่านก็เพียบอยู่แล้วนะเพียบอยู่แล้วที่ จะให้ความคิดอย่างอื่นพระพุทธองค์อย่างพูดว่าอย่าเลยอานนท์เรื่องสีละของเราตถาคตเป็นหน้าที่ของพวกกษัตริย์พวกมันละกษัตริย์หน้าที่ของพวกเราคือให้เผากิเลสในจิตใจของพวกท่านให้เหือดแห้งให้หมดกิเลสให้เร็วที่สุดให้เหือดแห้งให้เร็วที่สุดกจาจัดกิเลสราคะโทสะโมหะในใจของพวกท่านให้หมดให้เร็วที่สุดนั่นแหละคือหน้าที่ของพวกท่าน ส่วนศีละของเราตถาคตเป็นหน้าที่ของมันลักศัตร์เป็นหน้าที่ของโยมฟังสิขณะที่พระพุทธเจ้าจะละขันอยู่แล้วท่านก็ยังเน้นหนักว่าหน้าที่ของพระเนี่ยคืออะไรแต่พระนนก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นก็กราบทูลถามว่าจริงอยู่พระเจ้าค่าเป็นหน้าที่ของมันลัชัตร์ก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่ามันลัชัตร์ถามพวกข้าพระ อ, องค์ บอกว่าท่านอานน์จะให้พวกข้าปฏิบัติยังไงต่อพระศีระของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็จะได้ตอบถูกพระพุทธเจ้าผ่าเออถ้าเขาถามอย่างนั้นก็ให้ปฏิบัติอย่างศีละของพระเจ้าจักรพรรดิให้ปฏิบัติเยี่ยงอย่างพระเจ้าจักรพรรดิพระนร์ก็กราบทูลถามว่าพระเจ้าจักรพรรดิในยุคนี้ก็ไม่มีฮชจะปฏิบัติอย่างไง พระอานุ์ก็กราบทูลถามว่าเขาปฏิบัติกับศีรษะของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข่านีพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิดับขันหรือว่าสวรรค์คดแล้วเขาชําระร่างกายของพระเจ้าจากักรพรรดิให้สะอาดพอสะอาดแล้วตกแต่งร่างกายให้เรียบร้อย จากนั้นเอาสำลีชุบด้วยน้ำมันเป็นน้ำหอมหงุงละเอียดถึงร้อยครั้งคือคือกลั่นถึงร้อยครั้งมันน่ะ น, น้ำหอมมันนั่นะกลั่นแล้วกลันอีกกลันแล้วกันอีกเนี่ยเป็นเปียวว่าเป็นน้ำหอมที่ละเอียดมากแล้วเอาสำลีชุบน้ำหอมน้ำมันนั้นพันรอบหนึ่งแล้วเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่ง แล้วเอาชำรีพันอีกรอบหนึ่งเอาภ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทาอย่างนี้ถึงห้าร้อยครั้งห้ารอยชั้นแล้วจากนั้นยกไปวางลงรางเหล็กแล้วก็บีฝาครอบแล้วก็ตั้งเชิงตะกร์เต็มไปด้วยไม้หอมนาน า, นานชนิดแล้วก็ยกขึ้นไปไว้บนเชิงตะกร์จากนั้นก็ถวายพระเพลิงอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสั่งบอกแนะนาพระอ น, นุ์ ตรงที่จุดสนใจที่หลวงพ่อยกมานี่ประเด็นคือว่าอย่าเลยอา น, นุ์หน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคือให้เผากิเลสในจิตใจของท่านให้เหือดแห้งให้เลวที่สุดนั่นแหละเป็นหน้าที่ของพวกท่านส่วนศีระของเราตถาคตเป็นหน้าที่ของมันลกษัตริย์อันนี้จุดนี้แหละอันนี้คือพวกเราจะทําการทํางานสร้างกุฏิวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างถนนหนทางสร้างเสนาสนะอะไรก็ตามอย่าลืม อย่าลืมเผากิเลสในจิตใจถ้าว่าพวกเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าอันนั้นแปลว่าเข้าใจผิดแต่ถ้าว่าทางที่เข้าใจถูกนั้นคือให้เล่นความเพียรให้เผากิเลสภายในใจให้เหงือแห้งคือเผากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านนี้จะเียงวัง ไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปบำเพ็ญอยู่ในป่าบำเพ็ญคือวันจุดท้ายคือวันเดือนหกเพนนนั้นพระพุทธองค์ได้นั่งคัดสมาธิได้ตัดจรู้ธรรมปุเพนในวาสานุสติญาณลึกชาติหัหลังได้นี่แหละพระพุทธองค์เข้าไปอยู่ในป่าหปีนั้นท่านทำอะไรท่านไม่ได้ถือจอบถือเสียมท่านไม่ได้ถือปักกงปักกาท่านไม่ได้ถือสิ่งอะไรไปทั้งหมด ท่านไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดท่านเข้าไปดูใจเข้าไปฝึกใจจากนั้นก็ไปเรียนกับด า, าราบทอุตกะดาบทสองหรือสีแต่นอกจากนั้นกผมว่าคิดว่าน่าจะมีถ้าว่าท่านก็คงจะทดลองหลายๆอย่างที่ท่านได้ยินได้ศึกษามาที่ว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับท่านแต่เรื่องการทรมานกายนั้นมีหลายอย่างถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎก ผลสุดท้ายก็ได้อดปัจจยอาหารถึง49วันอันนี้ก็คือเป็นการบําเพ็ญทางด้านทางกายทางใจของพระ อ, องค์เป็นการทดลองผิดลองผิ ด, ล อ, ผดลองถูกลองถูกลองผิดเป็นเวลาถึง6ปีแต่เมื่อผลสําเร็จหรือว่าสูตรสําเร็จคือวันเดือน6เพนวันนั้นน่ะท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกนายโสธิยะนาญาคามาถวายท่าน8ปดกำมือ จากนั้นท่านก็เกลี่ยอยู่โคนต้นโพจากนั้นท่านก็ขึ้นเป็นนั่งอาชนะบนยญ้าคานั้นจากนั้นท่านก็ผินประพักคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมัดมือขวาทับมือซ้ายทํำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายใครจะพูดยังไงก็ตามกรรมาฐานของพระพุทธเจ้า ที่ท่านบอกกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนั้นคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธา้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านปฏิบัติธรทำยายาสายแส่ย่าไปตามกระแสของคู่คนอันนี้คือกรรมฐานหลักคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็ให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้น แต่ส่วนเมื่อเราชำนิชำนาญหรือว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วนะเราจะกาหนดยังไงก็ได้ทีนี้เอออันนี้คือเรารู้เบื้องต้นซะก่อนเพราะนั้นท่านผู้ใดจะอธิบายอย่างไรเราก็ยึดหลักตัวนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติเป็นรู้แนวทางดีแล้วการแนะนาสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละสายแต่ละองค์ กลัลวนแล้วอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมตามหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ไม่นอกเหนือจากสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาเบื้องต้นก็คือนะวิธีการจะทําจิตให้สงบทำอย่างไรนะื้ออันดับแรกก็คือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งก่อนตามหลักนะ ถ้าว่าจิตใจของเราเข้ามาแล้วจิตใจปูงฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะพิจารณาอะไรเป็นธรรมะขึ้นมาทางจิตใจนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ต้องทำใจให้สงบซะก่อนทำจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนอย่างตัวอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ธรรมนั่นแะแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้ตัดสู้ธรรมนะท่านก็ลองผิดลองถูกแต่วันตัดสู้ธรรมวันเดินหกเพน ท่านนั่งขัดสมาติกาหนดลมหายใจเข้าเอาออกจากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดเป็นฌานขึ้นมาระลึกชาติผลหลังได้ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้จตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายทําไมหลวงพ่อจึงเน้นเรื่องปุเพนิวาสานุสติยานเพราะคนยุคนี้สมัยนี้เห็นโดยมากจะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด คิดว่าตายแล้วศูญนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาปฏิเสธไม่น่าเป็นไปได้เพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตัดสู้อะไรในวันเดือนหกเพนต์ัดสู้ทำสามอย่างศึกษาดูให้ดีปุปเพนิวาสานุสติยาและลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าคนเราเหตายแล้วศูญย์จะลึกชาติผลหลังได้ยังไง ที่รึกชาติท้นหลังได้ก็เพราะว่ามันมีเกิดวิญญาณไม่ไม่ดับไม่ตายตายแล้วไม่สูญเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาให้ศึกษาให้ดูไม่ใช่ว่าพูดทางนี้เท่านั้นไม่ให้เชื่อให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำหรือรท่านประสบพอเห็นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ภษ า, าวก ท่านพระพุทธองค์พูดอะไรให้สาวกทั้งหวัดเชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะอย่างพวกเราได้เห็นในพระไตรปิฎกหลายๆอย่างอย่างการลามชนการลามาสูตรอย่างนี้พระพุธองค์สอนหลายๆอย่างอย่าเชื่อตามตำรับตำราอย่าเชื่อคนที่คนหน้าเชื่อถืออย่าเชื่อตามทำตามกันมาอย่าเชื่อตามโบ ร, โบราณที่บอกกล่าวกัน อะไรมีตั้งหลายหลายอย่างจากนั้นพระพุทธองค์ก็ยังบอกว่าสารีบุตรที่เราตถาคตพูดให้ท่านฟังเนี่ยเป็นไงท่านเชื่อไหมพระสารีบุตรว่าอย่างพระเจ้าขา่าทำไมเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ด, ดูก่อนทําเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วได้ผลข้าพระองค์จึงจะเชื่อที่พระพุทธองค์แนะนําสั่งสอนเนี่ยนะเห็นไหมไม่ใช่ว่า พระพุทธองค์พูดอะไรให้ฟังก็จะเชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะแน่เพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องนําไปปฏิบัติก่อนปฏิบัติอย่างไรคือกําหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนกำหนดลมบังคับให้จิตสติอยู่กับตัวเองสติให้อยู่กับตัวเองบริกรรมจุดไหนให้อยู่จุดนั้นพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วเป็นยังไง ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วตามที่ท่านว่าเป็นอย่างนั้นนะเราก็ปฏิบัติตามแต่หลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเรามีอยู่สองคือนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลาย ที่ญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านนะล้วนแล้วแต่เป็นผู้เคยประพฤติปฏิบัติได้รับฟังโอวาทจากหลวงปู่หลวงตา ม, มาแล้วแต่บางครั้งพวกเราคงจะย่อหย่อนไปบ้างบางครั้งก็จะล่อยหลอหรือว่าสู้กับกิเลส ต, ตัวเองไม่ได้แต่ถึงยังไงก็าตามก็ขอให้พวกเราเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพยายามเถึงจะล้มลุกคลกคลานยังไงก็าตามก็พยายาม คานคลานไปตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําหลวงพ่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเลิศประเสริฐทีเดียวถ้าจะว่าเป็นบุคคลก็เพื่อว่าสัตว์ระหลุดหรือบุรุษอาชนายหรือบุรุษที่พาพวกเราไปในทางที่ถูกต้องหลวงพ่อว่าอย่างนั้นในใจของหลวงพ่อนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายพระน้องนุ่งทั้งหลายญาติโยมทั้งหลาย ก็อยากจะให้ศึกษาถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเอาไว้ก่อนให้ศึกษาให้ดูตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนำอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำนั่งสมาธิทำจิตให้สงบยังไงนี่แหละถ้าว่าพวกเราทำจิตให้สงบได้เป็นหนึ่งแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าท่านผู้นั้นจะถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นคือความเชื่อจุดนั้นจะหนักแน่นแต่ถ้าว่าพวกเรา ได้ยินแต่คนอื่นบอกกล่าวแล้วก็ทําภาวนาไปกระปัดกปั ด, ปดไปปายไปมันไม่จิตไม่เข้าขู่ความสงบมีแต่ศรัทธาเฉยๆมีแต่ความเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างเดียวก็บางทีอาจจะมีผู้แนะนํำที่เหนือกว่าพวกเราอาจจะเป๋ไปได้แต่ถ้าว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว หลวงพ่อเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพวกเราถอนไม่ขึ้นพวกเราเชื่อในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าน้ําแข็งมันร้อนนะเนี่ยอย่างเนี้ยเราจะไปเชื่อได้ยังไงน้ําแข็งมันเย็นเห็นอยู่น้ําแข็งมันต้องเย็นะถึงเราจะไม่ได้จับเราก็รู้ว่าน้ําแข็งมันเย็นไฟมันเย็นนะนี่เราก็รู้แล้วไฟมันร้อนถ้าจับไปก็ต้องร้อนแนะ่ไม่เป็นอย่างอื่นนะพราเรารู้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราได้ปฏิบัติแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบ หลวงพ่อว่านั่นแหะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆนะทานพวกเราอย่าประมาททานะคือการให้ทานเกิดมาพบใดชาติใดพวกเราจะไม่อดไม่อยากเพราะอันนี้สงทานเกื้อกูลนุน่นอันนี้สงศีนคุ้มคองพวกเราเกิดมาพบใดชาติใด อันนี้สงสินุ่มครองพวกเราจะดำรงชีวิตด้วยความราบรื่นจะไม่มีอุปสรรคในชีวิตของเราอันนี้สงภาวนาจิตใจของเราจะปลอดโปร่งคิดอ่านเรื่องราวอะไรก็มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญานี่แหละ อันนี้ก็คืออา น, นิสงส์สินทานภาวนาถ้าว่าพวกเรายังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารแต่ถ้าว่าพวกเราบําเพ็ญให้มากแล้วก็ถ้าพ้นทุกไปแล้วก็นั่นแหละนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะออย่าตั้งอยู่ในความประมาทเความว่าประมาทความคํานี้เนี่ยคืออจะอยู่เฉยๆอยู่ที่ไม่คิดไม่อ่านอยู่ไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่แบบเป็นวันๆไป โดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะถึงจุดจบในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ตามไม่จริงพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อบอกนะหลายคนหลายคู่หลายคนถ้าวันนั้นนานหลวงพ่อจะเห็นหลวงพ่อจะบอกเออพวกเราอย่าประมาทเนะอีกสักวันหนึ่งนะพวกเราเมื่อเรามาเกิดเขาเขียนวีซ่าให้เราแล้วนะเขาเตรียมวีซ่าที่จะส่งให้เราแล้วนะอีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดีเขาจะส่งวีซ่ามาให้เรา เราจะต้องบินกลับไปต่างประเทศทุกคนจะต้องบินกลับต่างประเทศด้วยกันเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทบินกลับประเทศแน่นอนนะบินไปต่างประเทศบินไปต่างประเทศคืออะไรคือส่งขึ้นเมนนั่นหละพอส่งขึ้นไปแล้วก็เผาเจบล้พบหนึ่งชาติหนึ่งไม่ได้กลับมาแล้วคนนั้นไปต่างประเทศแล้วหายเงียบไปแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านก่อนที่จะไป ขึ้นเมนไปต่างประเทศนั้นเรามีเงินติดกระเป๋าบ้างหรือเปล่าเราได้เตรียมพร้อมไว้ไว้บ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบืงตน้น ว, ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นุปเพรในวาสานุสติญาณและลึกชาติหนหลังได้ไม่ศูญตายแล้วไม่ศูนย์เพราะนั้น พ, พวกเราให้เตรียมพร้อมเอาไว้ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปต่างประเทศนั้นเรามีเงินในกระเป๋าหรื อ, อยัง เงินในกระเป๋านั่นคือคืออะไรคือคือบุญนั่นนะ่ะเราได้เตรียมบุญเข้าสู่จิตใจของเราเป็นที่เป็นที่พอใจละ อ, อย่างทานของเราเป็นยังไงศีลของเราเป็นยังไงภาวนาของเราเป็นยังไงการปฏิบัติบิดาบันดาของเราเป็นยังไงเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับนอนนั่งภาวนาเป็นประจำอยู่ใช่ไหมเป็นที่อุ่นใจเราหรืออย่าง เร่งเหล่านี้เราต้องคิดดูทบทวนดูถ้าไม่เป็นที่ไว้ใจพวกเราก็ควรจะกระจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกอย่างพวกเราเคยกินเหล้าก็หยุดซะพวกเราห่างเหินจากวัดเออพยายามเข้าวัดเข้าวารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์และก็ศึกษาโอวาทธรรมะของครูบาอาจารย์จากนั้นหลวงพ่อน่ยพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเทนี้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอคนที่เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอนั่นแหะจะไม่เสียท่าเสียที อย่างที่พระฝรั่งเคยถามหลวงพ่อพระชาวเยอรมันบวชมาหลายปีนะสิบกว่าปีท่านถามว่าหลวงพ่อก่อนที่จะตายเน่ก่อนที่จะใจขาดเน่ก่อนที่ใจจะออกจากร่างน่ยจะทำใจยังไงฮะมันน่าคิดนะจะทำใจยังไงที่ใจจะขาดอกที่ใจจะออกจากร่างในช่วงนั้นหลวงพ่อเนี่ย ทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าเราไม่เตรียมพร้อมเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าว่าถึงจุดนั้นมาเกระวนกระวายมีแต่กลัวตายกลัวหรือไม่กลัวก็มีคุณค่าเท่าเก่าเพราะคนเกิดมาตายอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนคิดไว้ก่อนถึงจุดนั้นผู้นั้นจะไม่เสียเปียกจะพร้อมเหมือนกับถึง ข, าง ข, าขา่านั้นเออถึงข่าวข่าแล้วเลยข้าจะตายและข่าวนี้คงจะ ไม่หลีกหลีดนีไม่พ้นอะ่ะถึงข่าวฆ่าลแล้วต่ก่อนเห็นแต่คนอื่นตายบัดนี้จะเห็นฆ่าตายแล้วีิจะเห็นเราตายแล้วีิเราก็กาหนดลมหายใจเข้าออกดูใจเลยสิกาหนดใจเลยไม่ต้องกำหนดที่อื่นดูใจเลยยึดอยู่ที่ใจเอาสติอยู่ที่ใจปล่อยวางทั้งหมด เ, เพราะร่างกายไม่เป็นไปตามบัญชาของตนเองแล้วนอนอยู่แล้วอิคล้ายๆมันทุ ผูลักทัวเล็เฮ้มันขบวนกวายไปหมดเพราะใจจะขาดเนี่ hey, เราก็ต้องดูดูตัวผู้รู้นะเ่เราก็บอกว่านี่นะใจสมัยเมื่อเจ้ายัางอยู่ดีมีสุขเดินเหินไปที่ไหนก็ได้เจ้ากขว่าร่างกายนะี่คือความสุขของเจ้าแต่บัดนี้มาถึงจุดนี้ดูสิร่างกายเป็นยังไงเ hey, มันไม่ใช่ของตนนะไม่ใช่ของเราทนะอีกสักวันหนึ่งไม่กี่นาทีข้างหน้าเนะีย เราจะต้องทิ้งร่างกายแล้วนะะเราจะต้องไปตามดำพังแล้วนะะใจนะต้องคิดดูให้ดีนะร่างกายไม่ใช่ของเจ้าแล้วนะเยเห็นไหมตะก่อนเจ้าใช้เขาทําอะไรก็ได้หยิบนุน่นหยิบนี้ก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่บัตรนี้เราใช้เขาไม่ได้แล้วร่างกายทบผลภาพแล้วพร้อมที่จะแตกออกจากเจ้าแล้วเจ้าจะต้องหนีออกจากร่างแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านว่า พาลาฮาเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักสังขานทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงไหมจริงไหมใจจริงไหมจ ร, จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไหมเนี่ยอันนี้คือสอนใจคือสอนตัวเองในเมื่อสอนตัวเองเท่านั้นแหละเห็นน่ะถึงจะเราจะเกิดมาพบหน้าชาติหน้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะนั้นใจมันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกรทั่งร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นกรทั้งใจปล่อยวางทั้งหมดตัวผู้รู้นี่ก็คือนี่แหละตัวที่จะนําพาไปเกิดในภพภูมิต่างต่างต้องปล่อยวางจุดนี้หลวงพ่อว่านะถ้าเราทําอย่างนั้นได้แล้วไปว่าสัมมาสีสีจิตใจของเราจะหลุดพ้นจากกิเลสในขณะที่ว่าจวนเจียน จะทิ้งร่างกายอาจจะเป็นถึงพระหรหันก็ได้ถ้าไม่ถึงพระหรหันก็คือพระโสดาสกตาคาอณาคาแลว้วงั้นถ้าว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็คือจิตใจเข้ามาจับตัวอยู่ตัวผูวร้รู้อย่างน้อยก็ไปพรมนะต้องไปพรมไปสู่ไปเกิดเป็นพรมเพราะจิตใจเป็นสมาธิจิตใจเป็นฌานและจุดนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจของเรายังไม่ได้ขนาดนั้นพอป่วยหนักเข้ามาแล้วแล้วลึกถึงอ น, นิี้สงทานระลึกอันนี้สงสิน แล้วลึกถึงอนิสงส์ที่ปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงอนิสงส์ภาวนาของตนเองบุญกุศลเนอที่ผู้ฆ่าได้ประพฤติปฏิบัติมามากน้อยคราวนี้ผู้ค่าจะรวบรวมสมบัติละเข้ามาสู่จิตใจผู้ค่าจะได้หนีจากโลกและจะได้ทิ้งร่างกายและบัติน้บุญกุศลทั้งหลายให้มาช่วยข่าพระเจ้าเนอคราวนี้ใครเข้าล ล, ลึกถึงบุญกุศล อย่างน้อยก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มากมากว่านั้นก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะเพราะจิตใจเป็นกุศล น, นะและลึกถึงการปฏิบัติปิดามารดานะปฏิบัติครูบาอาจารย์ระลึกถึงทานศีลภาวนานะพวกนั้นก็จะได้ไปสู่สวรรค์ถ้าหาก ว, ว่าพวกเราระลึกถึงเวลาจะตายคิดโมโหโทโโโกธานะนะจิตใจปั่นป่นปวนไปหมดไม่แน่นะตายแล้วเราจะตกนรก ถ้าไม่ตกนะเราก็มาเป็นเปรตถ้าไม่มาเป็นเปรตก็เป็นสัตว์รษิษฉานถ้าพวกเราห่วงหาอะไรในทรัพสมบัตินะในไล่ในานาในรั้วในสวนในเงินในทองนะในญาติพี่น้องนะ่พวกเราอาจจะเป็นวิญญาณเลื่อนลอยนะมาวกปนเวียนอยู่กับหมูญาติเผลอๆอาจจะมาเข้าท้องหมูหมากาไก่อยู่ในบ้านก็ได้มาเป็นแมลงสาบมาเป็นหนูมาเป็นตุ๊กแกเฝ้าบ้านก็ได้ มันเป็นไปได้ทั้งนั้นจิตใจที่ห่วงหาอะไรเหมือนกับพระในพระพุทธศาสนาที่เป็นพระป่าพระธุตองกรรมฐานนะก่อนที่ท่านจะตายในพระไตรปิฎกนะั่นนี่นะหลวงพ่อยกมาในพระไตรปิฎกธรรมประทัตทกถาเนนะี่ยก่อนที่ท่านจะตายท่านห่วงผ้าจีวรของท่านเพราตัดผ้าจีวรของท่านเสร็จมาใหม่หมวันพุ่งนี้จะได้คลองแต่ท่านตัดเย็บย้อมเรียบร้อยแต่พอตกกลางคืนนะั่นอะ อาหารเป็นพิษนะท่านก็เลยมรณภาพก่อนที่ท่านจะตายท่านก็ห่วงผ้าจีวรของท่านโอ้ข้าจะตายจริงหรือเนี่ยจีวรของข้าก็เพิ่งเสร็จไปใหม่จากนั้นกัดใจขาดปั๊ดพอใจขาดเข้าไปวิญญาณนั่นก็เข้าไปอยู่ปฏิสนธิในผ้าจีวรผืนนั่นเลยเป็นไหลเป็นตัวไรตัวไรตัวเรนนั่นนะ่ะตัวเล็กๆนะ่ะอยู่ในนั้น น, ะน่ะขนาดทวงหาอะไรเพียงแค่นั้นก็ยังไปปฏิสนธิ เพราะฉะนั้นพวกเราก่อนที่จะเข้าได้เข้าเข็มใจจะขาดเนี่ยพวกเราต้องคิดเอาไว้เหมือนกันต้องเตรียมการเอาไว้สําหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าว่าไม่เตรียมเอาไว้นหลวงพ่อเสียท่าเสียทีแน่นอนเลยเออไม่เป็นอย่างอื่นขนาดพระในครั้งพบพระพเจ้าแท้แทนะท่าทนได้อบรมมาเท่าไหร่แต่ก่อนที่ท่านจะตายท่านห่วงผ้าจีวรเพียงแค่นั้นท่านยังเกิดไปเป็นตัวไระตัวเรนนะอ่ พอตายไปแล้วก็เกิดเป็นตัวเล่นอยู่ในนั้นน่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็จะแจกผ้าจีวรกันธรรมดาพระตายแล้วก็ต้องแจกบริขารให้องค์อื่นต่อไปนะฮะแต่นี้พระองค์นั้นก็เป็นเล่นก็ร้องขึ้นมาบอกว่าพระกําลังเก็บแจ้งผ้าจีวรของข้าพระเจ้าพระพุทธองค์อยู่ที่พระคันตะกุดีท่านได้มีทิพโสตะใช่ไหมหูทิพน่ะพระพุทธองค์ก็ได้ยินเสียงขนาดเล่นร้องก็ได้ยินใช่ไหม เออเล่นร้องก็ได้ยินพระพุทธเจ้าหูดีขนาดนั้นแล้วงั้นเด็เออเพระาะวิญญาณร้องเนะี่ยไม่ใช่เล่นร้องวิญญาณร้องอนะ่ะพระพุทธองค์ก็ให้พระอานนท์บอกว่าอานนท์ไประงับไปก่อนนะอย่าเพิ่งแจกผ้าจีบอนผืนนั้นเอาไว้ก่อนพระพระพงค์นั้น่เอาไว้ก่อ น, อ, น, น, อ, อ, นอย่าเพิ่งแจกไงเออเก็บไว้ก่อนเออเพราะว่าพระพุทธองค์รู้แล้วว่าเล่นอยู่นั้นอนะ่ะเออถ้าว่าไปแจกเล่นตัว น, นั้นก็โมโหโธ่ โ, รโกโรดให้พระเนไะ พอโกรธให้พระเกิดตายเพรโดยความโกรธอีกลงนรกนี้ยิ่งลึกกว่าเก่าอีกไงพอตายดพวยความโกรธไเพราะนั้นสิ่งโมนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษานะถ้าเราศึกษาในภาคปฏิบัติแล้วมันเรื่องของใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้ปฏิบัติแล้วก็กันกรองไตตรองด้วยเหตุผลเพราะนั้นให้ฝึกเอาไว้ใจตัวนี้หนละใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า ตัวใจนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปสูงสูงต่ตําๆำรุ่มรุ่มรอนเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ดูถูกกันเห็นหมากาไก่ก็ตามเห็นสัตว์ตระการคนทุกกลุนญากก็ตามพราะพระ เ, เจ้าท่านไม่ให้มีไม่ให้ไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันให้มีเมตตาต่อกันเหมือนกับเราเดินน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเดินขึ้นภูเขาสูงทีเดียวก็ไม่ใช่บางทีเราก็เดินลงไปหุบห้วยก็มีบางทีเราก็เดินไปท้องนาก็มีอย่างนั้นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันท่าเดือนสูงเกินไปเออเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมล่ ะ, <s> ละเกิดในที่สูงใถ้าลงไปในหุบข้วก็แสดงว่าเราเกิดเป็นหมูหมากาไกา่อย่างเนี้ยพรายนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้สั่งสมบัลมีจะตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปปุญคุณโทษมีจริงอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายในวันนี้ วันนี้คิดว่าหลวงพ่อคิดว่าคงไม่อยากจะพูดมากมีธุระแต่เห็นศรัทธาญาติโยมหมูพวกเพื่อนพี่น้องเก่ามาเยี่ยมก็เลยได้พูดให้ฟังเสีย พ, พอสมควรด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สาเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปราถนาทุกประการ